เมื่อเรามารวมกันแล้วขอให้นึกเสียว่าชีวิตนี่เป็นที่รักอย่างยิ่งเรารักชีวิตนั่นแหละ <c oughs> ก็จึงทนุถนอมตัวเองไม่ทำความชั่วทำแต่ความดี เพราะว่าความดีมันอำนวยผลให้เป็นสุขความชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ใครใครก็ไม่ต้องการอยากแกะได้รับความทุกข์ใครก็ไม่ต้องการต่อความทุกข์ ต้องการได้ความสุขใครๆก็ดีนี่คิดให้ดีข้อนี้นะที่เร่ความสุขกับมันอยู่ที่ไหนกันแน่นืนั่นแหะเราต้องพิจารณาสะก่อนการรู้ในเบื้องต้นนี่นะมันเป็นรูปทางที่จะให้เราดำเนินไปให้ถึงจุดที่เราต้องการถ้าเราไม่รู้ก่อน ไม่รู้ทางเดินอย่างนี้นะเราไม่รู้จุดหมายปลายทางอยู่ตรงไหนเดินสุ่มๆไปอย่างนั้นนะ่ะมันก็เกิดความลังเลอยู่อย่างนั้นเนะี่ยเอ๊ะมันจะถูกทางหรือไม่น อ, อะไรอย่างนี้ถ้าเรารู้ทางนี่ว่าต้นทางอยู่ตรงนี้ปลายทางอยู่ตรงนู้น เดินตรงไปนี่ถึงจุดหมายแน่นอนอย่างนี้นะมันก็ไม่สงสัยอะไรตั้งหน้าเดินไปไม่มีความลังเลในใจเลยการเดินทางมันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยการที่เรามาพิจารณาเห็นว่าเมื่อเราต้องการความสุขอะไรอย่างนี้ เป็นยอดปาถนาเช่นนี้แล้วเราก็ต้องคำนวณดูว่าเราจะทำยังไงมันถึงจะได้ความสุขอย่างว่านั้นความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ไหนเมื่อพินิษพิจารณามันก็รู้ได้ความสุขที่แท้จริงมันก็อยู่ที่ทำใจให้สงบระงับ จากความอยากได้อะไรต่ออะไรในโลกสนิบาตอันนี้พวกคนเราถ้ามีความอยากความหิวอยู่ในใจอยู่เนี่ยมันหาอีความสูงไมมีแต่ความทุกข์นั่นแหละดังนั้นการที่เราทำใจให้สงบลงไปเลยนะ มันเป็นอุบายสำหรับทิละความอยากความมิวในจิตใจนี่ให้น้อยเบาบางไปโดยลำดับเมื่อเรารู้จักความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วมันก็ภาคเปลี่ยนพยายามเพ่งจิตดวงนี้เข้าไปอย่าให้มันอย่าให้ความอยากมันปั่นจิตให้วิตกวิจารณ์ อยากได้อะไรต่ออะไรไปไม่มีทิ่สุดอันนั้นเรามีสติต้องประชันยะเพ่งจิตรวงนี้อยู่เมื่อมันยังจะฝืนคิดฝืนดินน้นรนอยากได้อะไรต่ออะไรอย่างนี้ก็รู้ตัวได้แล้วก็สะกดมันไว้ทันที ก็หมายความว่าเป็นผู้รู้จักเหตุแห่งความสุขเหตุแห่งความทุกข์ล่วงหน้าแล้วอย่างที่ว่ามานั่นแหละคือเมื่อมันปล่อยให้จิตอยากได้อะไรต่ออะไรไม่มีสิ้นสุดอันนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์อย่างนี้นะมันก็รู้ก็รู้แล้วก็ห้ามจิตไว้ไม่ให้มันคิดไปไม่ให้มันอยากได้อะไรต่ออะไรไปอืม เมื่อตอนรู้อย่างนี้แล้วแล้วก็กบผ้ <ๆ S 1> าเพียรพยาย า, ยามห้ามจิตไม่ให้มันคิดไปอยากได้อะไรต่ออะไรไปเช่นนี้แล้วจิตมันก็ไม่เป็นทุกข์วันนี้ความทุกข์มันก็บาวบางลงไปเหมือนอย่างคนเราเวลายังถึงเวลารับประทานอาหารไม่ได้รับประทานก็หิวอย่างนี้แหละ เมื่อเวลาเราประทานลงไปอิม่มหนำสำราญดีแล้วก็มันไม่อยากแล้ววันนี้ในขนาดนั้นนะไม่อยากไม่หิวแล้วมันก็ได้ความสบายกายนี่เพราะมันอิ่มอาหารแล้วอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั่นแหละเมื่อจิตนี่ถูกฝึกฝนถูก ควบคุมด้วยตัวเองนั่นแหละไปะตัวเองควบคุมตัวเองอ่ะพูดแล้วน่ะไม่ให้มันอยากมันหิวไปในอารมณ์ต่างๆเขาเห็นว่านั่นมันเป็นเหตุแห่งทุกข์การที่ควบคุมจิตไว้ไม่ให้มันอยากมันหิวไปในอารมณ์ต่างๆอันนี้มันเป็นเหตุแห่งความสุขแห่งความส ง, งบ รู้อย่างนี้แล้วมันก็เอาอะไรมันก็ควบคุมจิตตัวเองแล้วก็มองเห็นว่าเมื่อตนเองปล่อยตัวเองให้คิดอยากได้อะไรตัวอะไรนั้นมันเป็นทุกข์จริงกว่านี้มันรู้ขึ้นในใจได้เมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วมันก็ไม่ส่งเสริมแล้วมันก็ออยุติลงไม่คิดไม่ปรุงแต่งไป อันนี้นับว่าเดินทางรักที่สุดเลยนะข้อปฏิบัติอย่างว่านี่นะให้ควบคุมจิตนั้นโดยตรงเลยอย่างนี้ <c oughs> เมื่อควบคุมจิตได้แล้วอย่างนี้มันได้หมดทุกอย่างเลยกิเลสต่างๆก็เกิดขึ้นไม่ได้ความรักก็เกิดไม่ได้ความชังความโกรธ ความพยาบามบิดเบียนอะไรก็เกิดไม่ได้เลยความทุกข์ความโศกต่างๆก็เกิดไม่ได้เมื่อควบคุมจิตให้ตั้งมั่นอยู่ด้วยดีแล้วแล้วก็ใช้ปัญญากาหนดรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีเกิดมีดับอยู่นั้นรู้เห็นอนัตตานุปัสนาทุกสิ่งไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไร แม้แต่จิตนี่ก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาอย่าว่าแต่สิ่งอื่นนะแต่จิตนี่ก็ยังไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราเขาอะไรนี่อันเมื่อมันย้อนเข้ามาทวนกระแสเข้ามาเห็นอย่างนี้แล้วมันจะไปทุกข์ไปโศกกับอะไรเล่ามันจะมีสิ่งใดที่ให้เป็นทุกข์เป็นโศกอะ่ะเพราะมองดูอะไรแนละ้วก็ไม่ใช่ของเราของเขาอะ่ะอย่างนี้นะ แต่ที่นี้นั่นแหละคนเรามันยังไม่รอบคอบจริงอยู่เห็นรูปเห็นนามเห็นสิ่งภายนอกต่ตางๆนั้นว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์กันนะตาไม่ใช่ของเราบัด น, นี้ตัวจิตนี่มันยังไปเห็นว่าเป็นของเราอยู่เลยบัด น, น, นะนี้นี่แน่เป็นจิตเราใจเราเขา้าเมื่อยังไปถือว่าจิตนี่เป็นของเราอยู่นี่มันก็เอาอีกแล้ว แต่ว่ามันก็พ้นความอยากไปไม่ได้แล้วเหมือนก็อยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้เข้าไปแล้วนี่เหตุนั้เนเมื่อเห็นสิ่งแวดล้อมต่างๆเหล่านั้นตามเป็นจริงอย่างไรแล้วกระทวนกระแสเข้ามาหาจิตนี้ก็มารู้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นธรรมชาติรู้เท่านั้นเองรู้อันนี้แหละ แต่เมื่อไม่ฝึกฝนอบรมให้มันฉลาดฉริยวให้มันรู้ยิ่งมันก็เกอกมันก็คล้องมันก็หลงไหลอยู่ในสภาพแวดล้อมนี้มันเป็นอย่างนั้นเรืองมันนะฟังให้ดีออันมันหลงมันไหลเกาะคล้องอยู่ในสภาพที่แวดล้อมตัวเองอยู่นี่นะมันก็เพราะไม่ได้อบรมให้เกิดความรู้ยิ่ง ไม่ให้จิตนี้ฉเฉลียวฉลาด ม, มันไม่ฉลาดอย่างไรก็ให้มันไม่ฉลาดอยู่อย่างนั้นมาไม่ใช่ชาติเดียวนี่ไมชาติหลังที่ล่วงมาแล้วนั่นมันก็ไม่ฉลาดนั่นแหละมันจึงหลุดพ้นไปไม่ได้มันเกิดมามาเนร่างกายสังขารอันนี้ก็ว่าของเราอยู่อย่างนั้นนะไปเรื่อยไป ก็หาเลี้ยงมันไปอย่างนั้นนะแม้คนอย่างทุกวันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมไม่รู้แจ้งในธรรมมันก็จังสาคัญว่าร่างกายจิตใจเป็นของตัวของตนอยู่นั้นแหละแล้วก็ไม่มีปัญญาเลยลมีปัญญาแต่หาอาหารมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเท่านั้นเองมีปัญญาแต่ทำที่อยู่อาศัยกันพ้นกันลมกันแดด ได้อยู่เท่านั้นแล้วก็ถือว่าตนมีความสุขแล้วนี่นะคนส่นมากเป็นอย่างนี้เลยเลยไม่ได้ขวนขวายที่จะให้เกิดความรู้ยิ่งเห็นจริงยิ่งไปกว่านี้เลยไม่เไม่ขวนขวายไม่ตื่นตัวอหลงอยู่อย่างนี้แหละเมาอยู่นี้จนตลอดวันตายเนอะ น, นะคนส่นมากนะเป็นอย่างนี้อนะืม ก็เพราะฉะนั้นมันจึงใช้ทำบาปได้อยู่จ้อนตลอดเท่าตลอดแก่ไอ้แก่เท่าแล้วตนไปทํางานต่างๆไม่ได้เช่นอย่างไปตกปลาไปจับสัตว์ไปฆ่าสัตว์จะ่ไม่ได้เห็นคนอื่นเขาฆ่าเขานั่นว่าก็ยินดีด้วยนะเนี่คนไม่รู้นะออยินดีด้วยก็คอยมัวมองไปกับเขาด้วยอย่างนี้แหละ ถ้าหาว่าผู้รู้สึกตัวแล้วมันก็สังเวชสลดใจอือโอ้มนุษย์หนอกเกิดมาแล้วก็วมไม่รู้ความไม่รู้นียมันไปเป็นเหตุให้ไปเบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นทำบาปทำํำใส่ตัวเองเนี่ยเลยสวยทุกข์ทนทรมานเพราะบาปกรรมอันนั้นหนอแทนที่จะคิดอย่างนี้เนะ่ะมันคิดไม่ได้เลยอานพูดได้สนใจในธรรมะม า, ม, ามันก็คิดได้อย่างนี้แนะ เหมือนอย่างเรื่องราวของพระเตมียะนั่นนะ่ะก็เพื่อนรึรกษาติหนหนดังได้ตั้งแต่คลอดมาใหม่ๆนะพระพิดาเนี่ยเอาไปนั่งเอาไปนอนอยู่บนตักในขณะที่ว่าราชจะ ก, การงานเมืองไม่ น, นี้ก็มีเจ้าหน้าที่จับสักโทษมามาทูลพระราชาว่าคนนี้เนี่ยไ ป, ปล่นเขาได้ไปทำร้าย ชีวิตหรือร่างกายของคนบอกอะไรอย่างนี้นะไอ้พระราชาอยู่เหนือคนหมายไม่ต้องไปเผดคนหมายให้ยากพิจารณาแล้วรับสั่งเลยเอานำมันไปฆ่าซะอย่างนี้แล้วผู้พระราชาโอรสนั้นก็ได้ฟังพระบิดารับสั่งเจ้าหน้าที่ให้เอานักโทษไปประหารนั่นก็เกิดความสังเวชสลุดใจ โอ้ถ้าเรานี่หากกว่าเจริญไว้ใหญ่โตมานี่ได้เป็นพระราชาทานพระราชาบิดานี่เราก็จะไม่พ้นจากขนบธรรมเนียมระเบียบอันนี้แล้วจะได้สั่งเจ้าหน้าที่ประหารชีวิตของคนอย่างนี้ก็จะเป็นบาปเป็นกรรมไปไม่มีสิ้นสุดคิดอย่างนี้แล้วถึงว่ามิตกิจณนทาอย่างไรหนอ เราถึงจะไม่ได้คลองราชสมบัตินี้เทพธิดาที่เคยเป็นมารดามาเทกนมารักษาพระราชวังของระราชาอยู่ได้รู้เรื่องความมีตกกังวลของพระราชอโอรสอย่างนั้นแล้วกระเจงนไปรกชีบอกถ้าหากว่าพระโอรสไม่ต้องการอยากจาก เป็นพระราชากองเมืองนี้ก็ให้ทําตัวเป็นคนใ้เสียอย่างนี้แหละพระเจ้าโอรสได้ฟังเทวดามาบอกนั้นก็นึกพอใจเลยเอออุบายนี่ดูท่าจะได้ได้เรื่องอืมพรอจเจริญไว้ใหญ่โตมา น, นี่สมควรจะคลานก็ไม่คลานสมควรจะเดินก็ไม่เดินสมควรจะพูดก็ไม่พูดมานี่ ก็เลยสู้ทนอดกั้นทำตัวเป็นคนใบอยู่อย่างนั้นของใจพระโพธิสัตว์นี่ใจเด็ดใจเดียวใช้ไ้มแต่ลงทางไหนแล้วลงจริงๆเลยทุกขเวทนาทอะไรก็อดกั้นทนทานเอาอันนี้ก็เป็นคติธรรมหนึ่งนะเราผู้เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันก็ควร เอาคติธรรมเหล่านั้นมาใส่ใจไว้มาสอนใจตัวเองเข้าไป <c oughs> แม้ตนเองไม่ได้ปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็จริงอยู่หรอกแต่ว่าการครองเรือนนี่นะมันได้ทำบาปนี่เมื่อสรุปใจความลงแล้วนะเรื่องราวต่างๆที่พระเตมียะท่านลำพึงนั่น ไม่ว่าแต่การคองราชสมบัติเละแม้แต่รองเรือนคนธรรมดาสามัญ น, นี่มันก็ได้ทำบาปเนี่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเลี้ยงชีพยอยู่อย่างนั้นนี่คันตายแล้ ว, วพอจะพขาไปถกนรกนั่นหละทำบาปทำกรรมลงไปแล้วไอ้เช่นนี้นะผู้ใดมานึกสอนใจตัวเองได้อย่างนี้เนะี่ย บวชเข้ามาแล้วมันก็ไม่ปรารถนาจะสึกออกไปแม้ผู้พูดอยู่นี่ก็ทั้งแต่บวชมาใหม่ๆทุกคนึกอย่างนี้แหละเหตุที่จะไม่สึกมันนั้นนะ่ะแต่บางคนนึกอย่างอื่นด้วยแต่นี่เป็นอีกส่วนหนึ่งสนับสนุนทําให้มั่นใจในการบวชเพราะไม่อยากทุกข์ไม่อยากไปตกนรกเชื่อว่านรกมีจริงตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ตั้งแต่นตั้นอะไรมาเราไม่ปฏิเสธคำสอนของพระเจ้าเลยเชื่อว่ามีจริงเพราะฉะนั้นนั่งภาวนาอยู่บางทีเพ่งเรื่องนรกหลายอ่ะนรกปรากฏขึ้นมาให้เห็นชัดๆเลยอย่างนี้ก็เกิดความกลัวขึ้นมาไอความกระสันอยากสึก้าลาเพลอะไรไมันก็เบาไปหายไป อ, อย่างนี้ เพราะฉะนั้นจึงว่าอันพระพุทธเจ้าหรือพระโพธิสัตว์นี่ท่านย่อมมีอุบายเยียบคลายในใจดีจึงเป็นเหตุให้พระองค์ได้สร้างบุญบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นในตนของตนได้เพราะว่าบา ร, รมีสิบประการเนี่ะมันต้องได้สร้างให้เต็มเสมอกันหมดเลยมันถึงบรรลุได้ตามประสงค์ ถ้าหากว่าบารบมีอย่างใดอย่างหนึ่งยังอ่อนอยู่เต็มเป็นบางอย่างอย่านี้ยังไม่ได้ยั ง, ยงบรรลุสมมอาสโพธิญาณไม่ได้เลยแม้พวกเป็นสาวกก็เหมือนกันนะอืบารบมีสิบประการนี้ต้องเต็มตามภูมิของสาวกเช่นนั้นกว่าจะบรรลุอรหัดอรหันได้อืมต้องให้เข้าใจไม่ใช่ว่า เราทําความดีไปพอดีพอไรมันก็จะสําเร็จรู้ล่วงไปได้อย่างนี้นะไม่ใช่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแล้วคันว่าเนกขมมะบ ร, รมีอย่างนี้น ะ, ะการภาเพยพยายามออกจากกามอย่างนี้ถ้ง อ, ออกจริงๆอ่อย่างพระองค์เป็นพระโพธิสัตว์อยู่ชาติใดที่บําเพ็ญเนกขมมะบ ร, รมี มักจะออกบวดเป็นพระฤาษีหรือถ้าหากว่าได้เกิดร่วมศาสนาพระพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งอย่างนี้ก็ออกบวชเป็นพระเป็นเจ้าไปตลอดชีวิตไปเลยแต่ว่าไม่ได้มักผลหรอกมักคาความบาถนาทั้งแต่ครั้งเป็นธรรมปาระหนึ่งอันนั้นเกิดในตระกูลพามิชชา่นิทิในข้างศาสนาพระพุทธเจ้ากัตสปย์นี่แหละ แต่บางเอิญธรรมปารับโพธิสัตว์นี่พอไปได้อันอุบาสกอนาคามีคนหนึ่งเป็นเพื่อนชื่อคติการะอุบาสกคติการะอุบาสกนี่เมื่อไปอาบน้ำเอาหนองอะไรในแม่น้ำด้วยกันแล้วก็ชวน ชวนเพื่อนไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไอ้ทีแรกก็ปฏิเสธเลยสมณะศีสโลนเที่ะไปเฝ้าทำไมไม่ใช่นาทีของเราจะไปเฝ้าหรอกอย่างนี้อ้าวผู้เป็นสหายอุปสมบทอนาคามีนี่ก็ไม่ลดละความพยายามพบกันข้าวใดก็สวนไปเฝ้าหลายครั้งหลายหนเข้า ตอนที่จะไปเฝ้าได้ชวนไปอาบน้ําด้วยกันในแม่น้ําวันนี้คติการะอุบาโสกนี้ชวนทีแกรกก็ปทศศษณ์เสดเอาไม่ไปวันนี้คนแต่ก่อนมันชอบไว้ผมเปียกันน่งคติการาอุบาโสกนี่พว้าใส่ผมเปียอืถือว่าผมเปียนี้เป็นของสูงคนธรรมดาสามัญนี่ไม่มีใครกล้าจไปจับ ผมเปียของคนอื่นได้แต่คติการละอุภาสกนี่ถือเป็นเพื่อนที่สนิทกันก็เลยขว้าใส่ผมเปียบันนี้ธรรมปาระกุมารน่นก็นึกในใจว่าโธไอ้ผมเปียนี่เป็นของสูงนะสำหรับพวกพรามนะไ อ, อ้อะเจ้านี้นะสาหายคนนี่นะ ยังกล้ามาจับผมเปรียเราแล้วก็เชิญไปชักชวนไปเฝ้าพระพุทธเจ้านี่เออถ้าจะไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยซะแล้วหละคงจะเป็นเรื่องสําคัญนะไอ้ทาอย่างนั้นเอาเราเราก็ต้องไปแล้วต้องไปดูตามที่เขาชักชวนนะเราจะไปสังเกตการณ์หน่อยจะเป็นยังไงก็ะึงได้ไปนั่นพอไปเฝ้าแล้วเขา อ, องค์เจ้าแสดงธรรมให้ฟังมันถูก กับอุปนิสัยวาสนาเขาก็เกิดศรัทธาเลื่อมใสขึ้นทันทีเลยแล้วก็ขอบวชในเดียวนั้นเลยอย่างนี้ใจพระโพธิสัตว์นะถ้าได้ลงไปในทางที่ถูกต้องเราลงจริงจริงไพระองค์ก็บวชให้เลยบวชให้แล้วก็ตั้งหน้าศึกษาเราเรียนธรรมวินัยจนว่าจบพระไกรพิลย แล้วก็สอนลูกศิษย์ลูกหาไปอย่างนั่นแหละเพราะว่าเป็นพระโพธิสัตว์นี่เจ็บอมเพนเพื่อให้ได้บรรลุมรรคผลนี่มันเป็นไปไม่ได้เพราะมันคาความปรารถนาท่านก็ทรงไว้ซึ่งพทะพจทธคำสั่งสอนของพระเทเจ้าแล้วก็สอนผู้อื่นให้รู้ให้เข้าใจในธรรมวินัยก็พฤ้นปฏิบัติไป ลูกศิษ์ของท่านได้เป็นพระอราหัดอรหันต์ก็มีเยอะแยะแต่ผู้เป็นอาจารย์ไม่ได้เกาขาดความบัฒนาคนสุดท้ายพระองค์ก็ได้สร้างบุญบา ร, รมีมาจนเต็มบริบูรณ์ในชาติเป็นพระสิทธะราชกุ ม, มารเสด็จออกกวดบาเพ็ญอยู่แล้วก็ได้สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณอย่างนี้แหละ การออกบวชเป็นฤาษีหรือเป็นพระเป็นเจ้าถึงจะไม่ได้มรรคผลอะไรก็เป็นได้ชื่อว่าได้สร้างเนคขมะบารมีให้เป็นไปพร้อมๆกับบา ร, รมีอื่นๆเช่นขันติบา ร, รมีวิริยะบา ร, รมีเมตตาบา ร, รมีสัจจะบา ร, รมีอติฐานบา ร, รมีอุบเวคาบา ร, รมีมูเนี่ยเราก็สร้างพร้อมๆไป ทานะบารมีสีละบารมีมือนี่ไอผู้เป็นสาวกก็ก็ต้องมีบารมีเหล่านี้อยู่ในใจจิตใจยังมีกำลังเข้มแข็งต่อสู้กับมาณคือกิเลสต่างๆได้ให้เข้าใจบารมีเหล่านี้มันก็หมายเอาคุณธรรมนั่นเองคุณธรรมเป็นเครื่องาจัดกิเลส ให้บําบางออกไปจากกิจใจนั่นแหละเช่นฐานะบา ร, รมีมันก็ขจัดความโลภความเห็นแก่ตัวความตนีเหนียวแน่นออกจากกิตใจยอย่างนี้นะเรื่องศีลบา ร, รมีมันก็เป็นบา ร, รมีสำหรับขจัดความโกรธความเมยตบาพรามบุคคลผู้ที่รักษาศีลได้นั่นต้องเป็นคนที่มีเมตตากรุณา บันเทาความโกโรธได้จึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์ได้ดังนั้นผู้ที่รักษาศีลมั่นคงได้ก็จึงชื่อว่าเป็นผู้ไม่โกโรธเป็นผู้บรนเทาีเสียซึ่งความโกโรธถึงแม้ความโกโรธยังจะไม่ละยังจะละให้ขาดยังไม่ได้ในคราวนั้นก็ตาม แต่มันเบาวางลงด้วยอำนาจแห่งสีละบารมีในขัมมะบารมีผู้ประพฤติปฏิบัติเช่นเป็นนักบวชอย่างเราทั้งหลายนี่ก็ได้ชื่อว่าเป็นการพยายามถอนตัวออกจากกิเลสกรรมวัตถุกรรมนี่ซึ่งเป็นกิเลสเครื่องหน่วงเหนียวจิตใจให้คล้องอยู่ในทุกข์ในโลกสงสารอันนี้ ถ้าได้ออกปวดมาอย่างนี้กายว่าจาก็จะเชื่อได้ภาคางจากกามคุณุกิเลสกรรมวัตถุกรรมดังกล่าวมานั้นยังเตจใจแบบนี้นะ น, นี่เราก็มาฝึกใจนี้เข้าไปให้ใจนี้มันรู้แจ้งกรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงสแสดงไว้นั้นให้มันรู้แจ้งสมถกรรมฐาน ใมันรู้แจ้งวิปัสสนากรรมฐานฝึกใจี่มันรู้แจ้งในข้อปฏิบัติสองประการนี้แล้วก็มันก็ทำการมัตตัญหาทั้งหลายให้เบาวางออกไปถึงอย่ายังไม่หมดก็เรียกว่าเบาลงไปมากทีเดียว <c oughs> ก็เพราะเราฝึกใจให้ห่างกักกา ร, รมวิตกไม่วิตกไปในความรักความใคร่ แต่ละวันแต่ละคืนมีสติสัมปชัญญะสำรวมระวังจิตอยู่เสมอไม่ให้มีตกวิจารไปในความรักความคลาอย่างนี้นะนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญเนชขมมะบ ร, รมีให้เข้าใจกันไว้บันีกาขันติบ ร, รมีความอดกั้นทนทานต่อ กิเลสและกองทุกต่างๆเหล่านี้นะ่ะมันก็เป็นคุณธรรมสําหรับบำรุงกําลังใจให้ตักตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลําดับเพราะกุศลธรรมทั้งหลายความดีทั้งหลายถ้าขาดความอดความทนนี่แล้วยกจะแก่กล้าขึ้นไม่ได้เลยจะตั้งมั่นลงในใจก็ไม่ได้อืเช่นอย่างว่า ให้ด่ามาตีเตียนมาจิตใจก็หงุดหงิดโกรธเสียแล้วเดือดร้อนแล้วอุ่นไหวอืมวันไหวไปแล้วอย่างงี้นะเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะให้กุศสอนรำมันจเจริญขึ้นในใจได้อย่างไรมันก็มีแต่ความโกรธนั่นแหละมันจเจริญขึ้นบาเนี่เพราะอดทนไม่ได้นี่อคระไปยึดมั่นในคำด่าคำว่านั่นเป็นคำ เสียหายเป็นคำไม่ดีอะไรแล้วก็ไปเกลียดไปชังคนที่ด่าที่ว่าตัว น, นั้นเข้าไปอย่างนี้นะคิดแก้แค้นตอบแทนไปอย่างนี้นะแล้วกูษนทำ ม, มันจะเกิดขึ้นในใจได้อย่างไรลนะ่ะลองคิดดูนั่นแหละถ้าผู้ใดอดได้ทนได้อย่างนี้ใครจะด่า จ, จะว่าทํานิตีเตือนยังไงก็มาพิจารณาตัวเอง ตัวเองนี่ไม่ดีตรงไหนเขาจึงด่าจึงว่าถ้าเห็นว่าตนไม่ดีตรงไหนแล้วก็พยายามทำตนให้ดีขึ้นแล้วเขาก็จะได้หยุดติในการด่าการว่าลงไปแต่ถ้าพิจารณาตนเองว่ายังทำดีอยู่ไม่ได้ล่วงศินล่วงทำอะไรแต่ว่ากิริยาของตนมันไม่ค่อยสุภาพบางสิ่งบางอย่างมันเป็นไปมันเป็นมากับอุปนิสัยวาสนาแต่ชาติก่อนที่เคย อบรมตนมาอย่างนั้นเช่นนี้แล้วก็ยอมให้เขาด่าซะเพราะว่าตนมีวุตปณิสัยว่าตถาเป็นมาอย่างนั้นมันละยังไม่ได้อืก็ยอมให้เขาด่าไปให้เขาตาหนิตีเตียนไปเราไม่ต้องไปโกรธไปไม่สแสดงความไม่พอใจกับเขาแล้วก็จเจริญภาวนาพิจารณา ไอ้คำด่าคำว่าเสียงต่างๆงมันมันก็เป็นแต่ธาตุเกิดแล้วพอดับไปไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเพ่งลงไปจนถึงวิปัสสนาญาณเข้าไปแล้วมันก็หายมันก็ความโกรธก็เบาบางลงไปก็เป็นอย่างนี้แหละไอ้การบาเพ็ญขันติบารมีนะอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากกรรมวิบากตามสนองให้เจ็บไข้ได้ป่วยรักษาอย่างไงก็ไม่หาย โมนี่นะเออเป็นกรรมเป็นเวรของเราที่ได้ทําชั่วได้เบียดเบียนคนอื่นสัตว์อื่นมาแต่กรอนแล้วก็ต้องได้สวยแหละตนทำเอาเองตนทํามาตนก็ต้องเสวยผลของมันคิดได้อย่างนี้ก็อดกั้นทนทานต่อทุกขเวทนานั่นนั่นเนี่ยให้พากันกําหนดจดจําในใจไว้ในใจของตน อย่าไปนึกว่าเป็นเรื่องพูดสู่กันฟังเป่าๆแล้วก็ให้ผ่านไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นไม่ใช่นั้นพูดเพื่อให้สร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดมีขึ้นในใจจริงๆไปอย่างนั้นแล้วปัญญามรรมีอย่างนี้บุคคลผู้ที่จะเอาตัวรอดจากทุกข์จากโทษ ต่างๆได้นั่นต้องอาศัยปัญญาคนไม่มีปัญญานั่นเอาตัวรอดจากบาปจากทุก์โทษไม่ได้มีแต่ยึดถือเอาไว้เหตุนั้นนถึงได้บอกอุบายให้คนอยู่น้อยบ่อยอยู่ทุกคนที่เกิดมาในโลกนี่มันต้องได้ทำบาปไม่มากก็น้อยแต่ละคนนะ อย่างนี้นะก็เมื่อเมื่อผู้ใดมารู้ตัวแล้วเห็นว่าบาปเป็นสิ่งที่ควรละอย่างก็ตั้งใจไหวพระภาวนาลงไปแล้วพออธิษฐานใจละบาปกรรมความชั่วที่ตัวทำมานั้นขอให้หมดไปสิ้นไปจา ก, กจิตใจของข้าพเจ้านี้ ความชั่วอันใดบาปกรมอันใดที่ข้าพเจ้าได้ทํามาโดยความรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันก็ดีได้เบียดเบียนสัตว์จาพวกไ ด, กด้ก็ดีก็ขอให้เป็นอโหสิกรรมไปต่อ น, นี้ไปข้าพเจ้าจาักไม่ทํากรรมชั่วอย่างนั้นอีกจักไม่เบียดเบียนมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายนี่โดยความสัตย์ความจริงอันนี้ขอให้บาปกรรมความชั่วทั้งหลายจงหมดไปสิ้นไป จา ก, กจิตใจของข้าพเจ้านี้อันที่มันก็เป็นอธิฐานะบารมีอย่างหนึ่งเป็นปัญญาบารมีด้ว ย, วยเป็นอุบาย น, นั่นเอเมื่อตอนมันนึกมันอธิษฐานอย่างนี้จิตใจมันรู้สึกตัวจิบนันนี้รู้ว่าบาปนี่คนละมันก็ไม่ยึดถือไว้เลยเอา้าที่ทาล่วงมาแล้วก็แลวไปไม่ต้องไปนึกถึงมัน ไม่ต้องไปเสียใจไม่ต้องไปโทรมนักคับแค้นใจอย่างใดอย่างหนึง่งนี่ไม่ต้องเลยเพราะว่าบาปกรรมคมชั่วมันก็เป็นสังขารธรรมมันมีเกิดแล้วก็มีดับไปถ้าใจเราใจเราไม่ยึดถือเอาไว้แล้วมันก็ดับไปมันก็ไม่เกิดขึ้นมาอีกเราต้องรู้ด้วยปัญญาอย่างนี้แล้ว นั่นแหละบาป ก, กรรมนั่นมันถึงจะหมดไปได้ น, นี่ก็เมื่อบุคคลมีปัญญาแล้วมองเห็นทางที่จะพึ่งดำเนินไปสู่ความพ้นจากทุกข์อย่างนี้แล้วก็ตั้งความภาคเพียรลงไปว่ากิเลสอันใดของตนยังมีอยู่ในหัวใจนี่ก็เพียรพยายาม กำหนดใจภาวนาละมันเลื่อยไปอย่างนี้หลยความดีอันใดที่ตนยังไม่ได้ทําก็พยายามกระทาบำําเพ็ญในเกิดให้มีขึ้นนี่เลยชื่อว่าวิริยะบา ร, รมีนี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เรามีภาคความภาพเพียรอยู่ในใจนั่นก็มีความมุ่งหมายอย่างนี้เลยเพียรระวังไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจ ไม่ความชั่วมันเกิดขึ้นแต่ถ้าว่ามันเหลววิสัยเพ้อเพมันเกิดขึ้นมารู้ตัวว่าตนได้สร้างบาปให้เกิดขึ้นในใจแล้วมันด้วยรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันอย่างนี้ก็เอาเพียนละมันแบบนี้นะไม่ยึดถือเอามันไว้ในใจอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละเมื่อเพียนละบาปออกไปแล้วอย่างว่าเพียนละความโกรธนั่นเป็นตัวบาป ออกไปแล้วเราก็เจริญเมตตาขึ้นมาแทนอือย่างงี้แหละเรียกว่าละละบาปแล้วบําเพ็ญกุศลให้เกิดขึ้นละความโกรธอันเป็นตัวบาปออกไปแล้วก็เจริญเมตตาอันเป็นตัวบุญกุศลขึ้นมาแทนก็เป็นเมตตาบมารมีอืลองคิดดูเมตตาบมารมีเนี่ยเป็นเครื่องเป็นธรรมป้องกันไม่ให้บาปเกิดขึ้นในใจในส่วนหนึ่ง ถ้าบุคคลขาดเมตตากรุณาแล้วแน่นอนเลยเมื่อมีเหตุมายั่ ว, วยวนชวนให้ทำบาปมันก็ทำบาปไปได้เลยแตนถ้าผู้มากไปด้วยเมตตากรุณาอยู่ในใจเราทำไม่ได้ใครจะมาชวนไปทำบาปทำไม่ได้เพราะการทำบากหมายถึงการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นในเมื่อเรามีเมตตาผ่านปรารถนาจะให้สัตว์ทลายเป็นฝุ่โดยทั่วหน้ากันอย่างนี้แล้ ม, มันจะไปทำบามันจะไปทําบาปได้ยังไงอ่ะไปเบียดเบียนผู้อื่นและสัตว์อื่นได้ยังไงอ่ะนี่มันเป็นอย่างนั้นเมตตาบา ร, รมีนะอธิษฐานะบา ร, รมีก็อย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละในที่สุดหากว่าเมื่อเรามาเจริญเมตตาภาถนาให้สัตว์ทั้งหลายเป็นทุกขแต่สัตว์ทั้งหลายก็ยังได้รับทุกข์อยู่ยกตัวอย่างเช่นว่า พ่อแม่ลุงป้านาอา ญ, ญาติพี่นอ้องเป็นที่รักใครกันมาตั้งแต่ก่อนมามาประสบภัยพิบัติลงเราก็ช่วยเหลือซะเต็มที่แล้วให้เขาพ้นจากภัยพิบัตินั้นไปแต่มันพ้นไม่ได้เราเขามีกรรมมีเวรในหหลังตามมาสนองเอาอย่างนี้นะเราก็นึกถึงกรรมถึงเวรของเขาแล้วก็ วางอุเบกขาลงไปไม่ต้องเสียใจดีใจกับความอิบาดของผู้อื่นของญาติพี่น้องหรือของใครก็ตามเนี่ยมันเหลือวิสัยนี่ยมันช่วยไม่ได้แล้วเนี่ยอืมก็วางอุเบกขาลงนี่แหละที่ท่านว่าบําเพ็ญอุเบกขาบารมีนะบําเพ็ญอย่างนี้แหละให้เข้าใจอนอกจากนี้แล้วก็ก็วางอุเบกขาต่ออนิจจารม อารมณ์ที่ไม่ชอบใจต่างๆอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนยเมื่อบุคคลได้ฝึกฝนบำเพ็ญอุวเวกขาบารมีเนี่ยบ่อยๆเข้าไอ้จิตใจในส่วนมากมันก็จเจ็บเป็นกลางอยู่เรื่อยไปในวันนี้นะนั่นเนี้ยเมื่อเวลามีใครมายั่วยวนชวนให้เกิดความโกรธความเกลียดเคียดชั้งอะไรต่ออะไรมันก็ไม่เอียงไปตามลนวันนี้ เพราะมันฝึกใจนี่ให้เป็นกลางมานานพอสมควรแล้วมันหนักแน่นอยู่ในอุเบกขาบา ร, รมีมาแล้วมันก็ไม่เอียงไปตามคนที่มายั่วยวนชวนให้โกรธให้เกรียดให้เสียใจโทมนัดข้ามแค้ น, นต่างๆหมดนล้นนะไม่ไปแล้วนี่แหละบา ร, รมีสิประการนะแสดงโดยสังเกตรั้วแต่เป็นคุณธรรม ที่พุทธศาสนิกชนจะพึ่งบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในตนของตนเพื่อเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้กิเลสดังกล่าวมาเหล่านั้นเกิดขึ้นในใ จ, จเจริญงอก ง, งามขึ้นในใจถ้าหากว่าบุคคลใดไม่มีคุณธรรมสิบประการนี้อยู่ในใจแล้วก็จะสู้อำนาจของกิเลสคือความโลภความโกรธความหลง ความโมโเมาต่างๆไม่ได้เลยจิตใจก็จะต้องวันไวเลื่อนลอยไปตามอำนาจของกิเลสนั่นนั้นเออมันไปนอย่างนี้ให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าหากว่าเราไม่เข้าใจอนุภาพแห่งบารมีธรรมดังกล่าวมานี่แล้วมันก็เมืินเผยแล้วไม่คิด สร้างบา ร, รมีธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจแหละผู้ใดได้ศึกษาได้ฟังได้พิจารณาตามโอ้บา ร, รมีธรรมเหล่านี้มันเป็นคุณธรรมสำหรับคนโดยทั่วไปไม่ใช่แต่พระโพธิสัตว์เพราะมันเป็นเครื่องขจัดกิเลสออกจากจิตใจถึงไม่หมดก็เรียกว่าให้น้อยเบาบางไปจนก ว, ว่าเราจะสร้างคุณธรรมเหล่านี้ ให้แก่กล้าขึ้นในจิตใจนี้เต็มบริบูรณ์ลงไปเมื่อใดแล้วนั่นแหละคุณธรรมเหล่านี้ถึงจ ก, กรรมจัดกิเลสอันมีอยู่ในจิตใจนี้ออกไปให้หมดสิ้นไปได้เลยเมื่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้านั่นแหละเมื่อพระองค์ยังสร้างบา ร, รมีสามสิบประการยังไม่เต็มบริบูรณ์เพราะองค์ก็ยังไม่ได้ตัดธารุ อันมันมีหลักเกณฑ์อยู่สำหรับพระโพธิสัตว์นี่นะว่าพระโพธิสัตว์นี่สร้างบา ร, รมีมาโดยลำดับถ้ามันจะเต็มบา ร, รมีจะเต็มมันแสดงบอกในชาติสุดท้ายในแก่ชาติที่เป็นพระเวสสันดรได้ทานของรักของชอบใจห้าอย่างได้ทานลูกให้ทานเมียให้ทานช้างให้ทานม้า ให้ทานราชรถของอันนี้เป็นของประจำตระกูลกษัตริย์สืบต่อกันมาแต่มาถึงพระเวสสันดร น, นี่เข้าใครมาขอพระองค์ให้ทานไปหมดเลยวันนี้ของห้าอย่างนั้นจนถึงกับแผ่นดินไหวนั่นแหละพระบรมีสามสิบประการของพระองค์จึงเต็มบริบูรณ์เลยใน ชาติเป็นพภเวษสันดอนนั่นนะหืะเต็มแล้วเมื่อมดพระชนมายุสังขารแล้วก็ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นดุสิตไปเสเวยผลนบนอยู่สวรรค์ชั้นดุสิตนั้นพอถึงการเวลาที่จะลงมาเกิดในโลกมาตัตสรู้เป็นพุทธเจ้าแล้วก็มีพญายินและเทวดานี่เนี่ยไปเชื้อเชิญให้จุติลงมาเกิด เมื่อถูกรับเชิญอย่างนั้นถูกเชิญอย่างนั้นแล้วพระองค์ก็มาพิจารณาบานีพิจารณาสถานที่เกิดพิจารณาถึงบารดาบิดาพิจารณาถึงพญาทพวงอง์ต่างๆก็เห็นว่าไปเกิดอยู่ที่ภูงกวิลพัทกันหมดพร้อมพร้อมกันหมดแล้วเช่นนั้นพระองค์จึงได้จุดตรีจากสวรรค์ชัน้นสุสิทธิ์ลงมาเกิด ในพระคันของพนางสริมหามายาเทวีซึ่งมีพระเจ้าสุดโทธนะมหาราชเป็นพุทธบิดาอันนี้เนี่ยมเมื่อเพระองค์เกิดมาชาติสุดท้ายนี่ไม่ได้สร้างบารมีอะไระพระองค์บังเกิดขึ้นมา ได้รับธนุธนโมจากพญ า, าพระวงศ์พระราชบิดาแต่พระราชนมานานนี่ว่าสวรรคตไปตั้งแต่ประสูติมาได้เจ็ดวันนู่นนี้แล้วก็ตั้งนางพระนางมหาประชาบุีผู้เป็นน้องพระนางสรี ม, มหา ม, ม, มายาเนี่ยเป็นแม่เลี้ยงแทนทันเมื่อพระชนมายุได้16บหกพรรษา พระราชบิดาพระญาติพระวง์ก็ได้อภิเศกพนางพิมพายโสธลาให้เป็นอัคมเหสีแล้วก็มอบราชสมบัติให้พระองค์ได้เสวยพระองค์ก็เสวยราชสมบัติมาโดยลำดับจนพระชนมายุได้ยี่สิบเก้าพรรษาบุญบรารมีที่ได้สั่งสมอบรมมาแต่อเณกชาตินั้น ก็หากมากระตุ้นพระไทยแบบนี้นะให้เกิดความเมื่อหน่ายในราชสมบัตินั้ น, น, นจึงได้เสด็จหนีออกขนวดบอมเพญเพียรอยู่หกปีก็สําเร็จ ส, สททัตมหาสัมโพธิญาณได้สแสดงว่าพราะองค์เกิดมาชาติสุดท้ายเป็นพระสิท ธ, ธัตถะนี่ไม่ได้ทรงบอมเพญบารมีอะไรเพราะพระองค์บอมเพญมาเต็มบริบูรณ์แล้ว ในต้องเข้าใจอย่างนั้นมีแต่เพียเพียยพระองค์ว่าสละหนีออกหัวท่าลูกเดียวเท่านั้นเลยไม่ได้ทำบุญบริจาคทานอะไรเหมือนอย่างเป็นพระเวทสันดรข้างเป็นพระเวทสันดร น, นั้นเมื่อชาวเมืองไล่หนีออกจากเมื้องก็ไปขอพระราชานุ ญ, ญาตจากพระราชบิดาว่าขอให้ได้บริจาคทานอยู่สักเกียตวันทะก่อน แล้วจึงจะออกจากพระราชวังไปพระราชวิดาก็ทรงพระอนุญาตพระองค์จึงได้สั่งให้พระนางมัทเีว่าเมื่อมีสิ่งของสมบัติอันใดก็ขอให้ทาบุญบริจาคทานไปเสียน้พนามัทเธีมีสมบัติอะไรก็ให้ทานไปพระเวทันดอนก็ให้ทานไปจนหมดสิ้นแล้ว ก็จึงได้พ า, รารพระราชอรถพระราชาโอรสพระราชติดาเสด็จนั่งรถม้าออกจากเมืองไปเพราะว่าช้าพระที่นั่งก็ให้ทานไปแล้วนี้เรื่องมัน น, นั่งรถม้าเสด็จออกจากเมืองไปอา้าวเขพอไปถึงเมืองเจตราชันพวี พาเมืองมาขอราชรถเออมาขอม้าทีแรกนะเอาก็กดม้านั้นออกจากงอนรถให้แก่คนขอทานเอาเทวดาพันิมิตเป็นลำมั่งมาเอาขอมาลองรับแอกของรถไว้แล้วก็พาพระโพธิสัตว์พระเวทสันรไป ไปไปัมนมีคนมาขอราชรถซะเลยก็เลยพระราชาทานพระราชรถนั่นให้แก่คนผู้ขอเทวดาก็เลยหายตัวไปวันนี้ต่อจากนั้นก็ทรงพระดำเนินด้วยพระบาทเปล่าอพระเวสสันดรก็อุ้มชาลีพระนางมัทีก็อุ้มพระนางกันหากินานาตอ่ไปตามมันคาถนวนันนี้ ําเพนพศบวชเป็นพรืษีอยู่ในเขาวงโตรดป่ายมะฟนันเมื่อทูชกพรามติดตามไปขอกันหาจรีก็พระราชทานให้ข่าวนั้นก็แผ่นดินไหวต่อมาอินทาพรามพระยาอินนิมิตเป็นพรามเสร็จลงมาขอพนางมัตชีพระเวทันดอนก็มอบพนางมัตชีให้แก่อินทาพราม นั่นคทาวนั้นก็แผ่นดินไหววันนี้อินทรพราหมณ์ก็มอบนางมัชีคืนให้พระเวสสันดรขอให้พระนางมัชีปฏิบัติอุปถาตพระเวสสันดรต่อไปห้ามห้ามเอามอบให้แก่ผู้อื่นวันนี้ใครมาขอก็มอบให้ไม่ได้เพราะว่าอินทรพราหมณ์ได้มอบให้แก่พระเวสสันดรแล้ว เพราะนั้นพระพนามัชียังได้อยู่พาอปฏิบัติเขวิษันดอนไปส่วนกันนาจรีเมื่อถูกสกคลามขอได้นำไปเขี่ยตีไปแล้วก็มีเทวดามาให้นมให้อาหารกินไปตามทางอย่างนี้แหละคนผู้มีบุญนะแม้นจะตกยากลำบากอย่างไรบุญ บ, บารมีก็ยังตามรักษา ให้มีเทวดามารักษาดูแลไม่ให้มีภัยอันตรายต่างๆอย่างนี้แหละในธรรมรายังกล่าวไว้ข้ามาแล้วสู่ชกพรามนั้นขึ้นไปนอนอยู่บนต้นไม้นูนแขวนเปลแต่ให้กันหาชะลีสองพี่น้องนอนอยู่ใต้ต้นไม้พี่ออย่างนี้แหละแต่ถ้าคนไม่บุญไม่ไม่ไม่ไม่มีบุญเราก็เสือเรามาเอาไปกินเน่ อันนี้แต่นี่แหละเราจะได้มองเห็นว่าอนุภาพแห่งบุญกุศลนี่นะตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่ไหม้โจนลักเอาไฟก็ไม่ได้ใครจะมาทำร้ายก็ไม่ได้เลยอ่เป็นอย่างนั้นในที่สุดทยายาทพระองค์ทั้งหลายก็ได้มาเชิญเชอญให้พระองค์กลับเข้าไปสวยลาดตามเดิมก็ได้ทำบุญบริจาคทานไปไม่มีอันเลยในชาติเป็นพระเวสสันดร เพราะอาณิสง์ที่ได้สละสมบัติต่างๆให้เป็นทานตอนจะหนีจากเมืองเชตุดอนครั้งนั้นพอกลับเข้าไปเสวยราชครั้งที่สองนี่อาณิสง์แห่งาการการกุศลก็ดนบันดาลให้แก้วเจ็ดประการตกลงมาจากอากาศเหมือนเก้าห้าฝนไม่เฉพาะแต่ตกในพระราชวังตกไปทั่วเมืองใครอยู่ที่ไหนเก็บเอาที่นั่น ส่วนใดที่ตกอยู่ในพระราชวังก็เป็นสมบัติของพระราชาไปส่วนใดที่ตกอยู่ในบ้านของใครก็เป็นสมบัติของผู้นั้นไปชาวเมืองก็เลยได้อยู่เย็นเป็นถุกไม่ทุกร้อนอะไรพระเวทสันดรก็ครองพระราชสมบัติไปจนตลอดพระชนมาชีพเนี่ยไอ้ตอนครั้งเป็นพระเวททันดอนนี่จะให้กับให้อย่างเดียวมีแต่การเสียสละ สมบัติเข้าของอะไรต่ออะไรสารพัอตอดมาตอนเป็นพระสิทธัตถะราชกุ ม, มาร น, นี่เพราะไม่ตอนเนตวาวนาไม่ปรากฏพระองค์ได้ให้ทานอะไรใครต่อใครนนะเพราะว่าพระองค์ได้ให้ทานมาพอแรงแล้วเต็มบริบูรณ์แล้วเป็นอย่างนั้นบมาที่เมื่อเวลาเสด็จออกบวชแล้วให้ทานใหญ่เลยเวันนี้ให้หมดทั้งเมืองกบมินลพัด ไม่เอาอะไรแล้วอย่างนี้แหละที่นำเรื่องราวของพระพุทธเจ้ามาแสดงสู่กันฟังนี่ก็เพื่อที่จะเป็นเครื่องบำรุงศรัทธาความเชื่อความเรื่องใสของพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนี่แหละให้มีกำลังแก่กล้ายิ่งขึ้นไปเหมือนพระเวสสันดรเหมือนพระติสัท ธ, ธาราชกุ ม, มาร พากัรจำเอาไว้ระลึกไว้เตือนใจเสมอเนี่ยถ้าหาว่าสรุปใจความแล้วเมื่อเราไม่สร้างบุญบา ร, รมีสามสิบประการนี้ให้เต็มบริบูรณ์ตราบใดแล้วก็ยังหลุดพ้นจากทุกข์ภายในสงสารนี้ไปไม่ได้ขอให้เข้าใจอย่างนี้ถ้าผูใ้ใดหลุดพ้นได้ผู้นั้นแสดงว่าบุญบา ร, รมีเต็มแล้วเข้าขั้นแล้ว เพงหลุดพ้นจากกิเลสปัญหาไปได้โดยประการทั้งปวงผู้ใดยังหลุดพ้นไปได้ผู้ใดยังหลุดพ้นไปไม่ได้แสดงว่าบุญบา ร, รมีดังกล่าวมานั้นยังไม่เต็มบริบูรณ์ก็ให้พากพี่นายให้รู้ตัวทุกคนเมื่อรู้ว่าตนบุญบา ร, รมียังไม่เต็มอย่างที่ว่านั้นแล้วก็พยายามบำเพ็ญให้มันเต็มขึ้นให้มันเต็มความสามารถของตนขอตนเท่าที่จะทําได้ แล้วบุญบารมีมันก็จะมากขึ้นโดยลำดับดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้